ต่อไปนี้ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับสมเด็จพระยาณสังวรในแง่มุมต่างๆที่หลายท่านอาจยังไม่เคยทราบมาก่อนโดยรวมบทความของนิตยสาราผู้จัดการสุดสัปดาห์และจากแหล่งอื่นๆมารวบรวมกับพระประวัติไว้พร้อมกันบางมุมของพระสังฆราชที่ชาวพุทธยังไม่รู้ าพระคุณสมเด็จพระยานสังวรซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบารินายกลำดับที่19แห่งกรุงรัตนโกสินนั้นได้ทรงปฏิบัติพระศาสนากิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนในด้านต่างๆมากมายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอดพระชนชีพจนได้รับการขนานพระนามว่าพระของประชาชน ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งสด็จออกทรงพระผนวดเมื่อพุทธศักราช2499พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาแห่งการทรงพระผนวดอีกเกือบ20ปีต่อมาเจ้าพระคุณให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เป็นพระพี่เลี้ยง ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้ทรงมอบหมายให้สนองพระเดชพระคุณจากการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้มีความรู้สึกว่าพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงผนวตามราชประเพณีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหามิได้จะทรงผนวช ด, ด้วยพระราชศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมิได้ทรงเป็นบุคคลจำพวกที่เรียกว่าหัวใหม่ ไม่เห็นศาสนาเป็นสำคัญแต่ได้ทรงเห็นคุณค่าของพระศาสนาฉะนั้นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาสามัญก็กล่าวได้ว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาเพราะทรงผนวดด้วยพระราชศรัทธาประกอบด้วยพระปัญญาและได้ทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชทรงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเทราจานที่สําคัญของไทยหลายต่อหลายรูปแต่ที่ว่ากันว่าใกล้ชิดมีอยู่สองรูปคือพระธรรมวิสุทธิมงคลห ร, หรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาัดจังหวัดอุดรธานีและพระธรรมโกษาจาร์หรือท่านพุทธทาสิกุ แห่งสวนโมคบพลารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาที่ไปของเรื่องนี้คือพุทธศักราช 2,509 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมการศาสนาดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตเพื่อส่งไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลในการนี้มหาเถระสมาคม เห็นชอบแต่งตั้งพระาศาสนโสพลซึ่งเป็นสมณศักดิ์ของเจ้าพระคุณในขณะนั้นเจ้าเอาวาดวัดบวรนิเวศวิหารและกรรมการมหาเถรสมาคมให้เป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศในการนี้พระเถราจารย์ซึ่งร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดแรก ล, ล้วนแล้วแต่ปรากฏนามว่าเป็นภิกษุผู้ทรงภูมิธรรมและปฏิบัติแห่งยุคราชการปัจจุบันทั้งสิ้น อาทสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุพระราชชัยกวีเงื่อมอินท ป, ปัญโยภายหลังได้เป็นที่พระธรรมโกษาจารหรือที่รู้จักกันในชื่อท่านพุทธธาตุภิกขุแห่งสวนโมคาพลารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระราชสิทธิมุนีโชโดกยานาสิทธิ ภายหลังได้เป็นที่พระธรรมธีระราชมหามุนีวัดมหาธาตุพระปัญญานันทะมุนีปันปัญญานันโทภายหลังได้เป็นที่พระพรมมังคลาจารหลวงพ่อปัญญานันทพิคุวัดชนละประธานรังสิตจังหวัดนนทบุรีพระมหาบัวญาณสัมปันโนภายหลังได้เป็นพระธรรมวิสุทธิมงคลวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี เล่ากันมาว่าในระยะเริ่มต้นของการฝึกอบรมพระธรรมทูตนั้นบางครั้งได้ไปอบรมพระธรรมทูตที่สวนโมกข์อำเภอไช ย, ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าพระกุลแลท่านพุทธทาสภิกขุปใช้วิธีการฝึกฝนบรรดาพระภิสุตามธรรมเนียมดั้งเดิมแบบยุค พ, พุทธกาลกระทั่งว่าเมื่อบินธบาตกลับมาแล้วให้พระสงฆ์ฉันพัฒหารอยู่ตามโคนไม้เมื่อถึงเวลาอนุโมทนา ท่านก็จะไม่ให้สวดมนต์เช่นที่เคยทำกันมาแต่จะใช้วิธีเรียกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาแล้วให้เทศแทนโดยกำหนดว่าเมื่อเรียกรูปไหนก็ต้องเทศได้ทุกรูปเพื่อฝึกฝนความพร้อมในการเป็นพระธรรมทูต น, นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่เล่ากันว่า เมื่อคราวท่านพุทธทาสภิกขุอาพาธหนักนั้นเจ้าพระคุณได้เคยไปเยี่ยมท่านพุทธทาสภิกขุที่ได้ขอละสังขารโดยท่านให้เหตุผลว่าอายุเกินพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่เจ้าพระคุณได้ขอไว้หลังจากนั้นอาการของท่านพุทธทาสก็ฟื้นขึ้นมาและมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกหลายปี จ้พระคุณศักยะวงวิสุทธ์หรือด็อเตอร์อนิลมานธรรมสากิโยผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้ติดตามเล่าว่าตอนที่เสด็จไปเยี่ยมนั้นท่านพุทธทาสยังไม่ได้อาภาษณหนักยังไม่ล้มหมอนนอนเสือเป็นแต่เพียงเจ็บออดแอดยังออกมารับเสด็จได้เป็นชั่วโมงท่านพาไปดูโรงมหหรสบทางวิญญาณลานหินโค้ง แล้วก็นำเสด็จมาประทับที่ม้าหินหน้ากุฏิที่ปกติเก้าอี้ม้าหินนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสนั่งประจําท่านอาจารย์พุทธทาสทูลสมเด็จพระสังฆราชให้ประทับแล้วท่านก็ไม่ยอมนั่งท่านพุทธทาสทูลว่าขอประธานกราบสมเด็จพระสังฆราชหน่อยที่อุตส่าห์เสด็จมาเยี่ยมถึงวัดเจ้าพระคุณสมเด็จทรงพยายามห้ามแต่ท่านไม่ยอม แล้วต่างคนก็ต่างกราบพอท่านพุทธทาสกราบเจ้าพระคุณสมเด็จก็บอกไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องกราบกลับส่วนเรื่องของให้มีชีวิตต่อ น, นั้นพระอาจารย์อนิลมานบอกว่าเหมือนกับเวลาไปเยี่ยมคนที่รู้จักกันแล้วระหว่างคุยก็ปรารบเรื่องสังขารว่าไม่ไหวแล้วแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จก็รับสั่งว่า ขออาราธนาใต้เท้าอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปนอกจากนั้นเมื่อครั้งมีพระพลาลนาไมยแข็งแรงสมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จไปยังวัดป่าในต่างจังหวัดเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเยี่ยมและสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานเช่นหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่เสากันตะสีโล เป็นโอกาสให้ทรงปฏิบัติองค์อย่างพระป่าเช่นเดียวกับพระรูปอื่นทรงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอย่างวิเวกท่ามกลางความเงียบสงัดของธรรมชาติป่าเขานอกจากนี้อีกวัดหนึ่งที่เสด็จไปก็คือวัดป่าบ้านตาดของหลวงตามาหาบัวดังปรากฏรูปถ่ายในหลายวาระ ทรงสอบที่มาคาถาชินนบัญชรที่นับถือสวดกันแพร่หลายกล่าวกันว่าเป็นของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดประคังโคสิตารามครั้งหนึ่งในฉันทิศกระแสศิลได้เคยนำมาขอให้สมเด็จพระสังฆราชแปลเพื่อพิมพ์ในหนังสือประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จแต่ในฐานะที่สมเด็จเชี่ยวชาญด้านปริยัต ท่านพิจารณาแล้วยังเกิดสงสัยในถ้อยคําและประโยคหลายแห่งเพราะไม่อาจจับความได้ทั้งเมื่อได้พบจากหลายสานักเข้าก็ได้พบคำที่ผิดเพี้ยนบ้างเกือบทุกฉบับไม่อาจตัดสินได้ว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างใดได้เคยนึกสงสัยมานานแล้วว่าเจ้าพระกุลสมเด็จพุทธาจารโตได้เรียบเรียงขึ้นเองหรือได้ต้นฉบับมาจากไหน จนต่อมาเมื่อด็อเตอร์เกษมสิริสัมพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งมาถวายเรียบเรียงโดยภิกษุนารทะมหาเทระและกัสปะเทระพิมพ์ในประเทศศรีลังกาเมื่ออ่านคถาชินบัญชรในหนังสือเล่มนั้นดูแล้วปรากฏว่าก็ได้พบคาและประโยคที่เคยสงสัยในฉบับที่สวดกันในเมืองไทยซึ่งจับความได้ หายความข้องใจจึงคิดว่าจะคัดฉบับลังกามาพิมพ์เพื่อผู้ที่ต้องการทราบจะได้อ่านพิจารณาและคิดจะปรับปรุงฉบับที่สวดกันที่เมืองไทยอนุวัตฉบับลังกาเฉพาะที่เห็นว่าสมควรจะปรับปรุงด้วยทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบฉบับไทยและฉบับลังกาแล้วสมเด็จพระญาณสังวรจึงสรุปได้ว่าต้นฉบับเดิมนั้นเป็นอันเดียวกันแน่ ฉบับลังกานั้นมี22บทส่วนฉบับที่สวดกันในเมืองไทยมี14บทก็คือ14บทข้างต้นของฉบับลังกานั่นเองเพราะความเดียวกันถ้อยคาก็เป็นอันเดียวกันโดยมากส่วนคําอธิษฐานท้ายบทที่14ของบทที่สวดกันในเมืองไทยย่อตัดมาอย่างรวบรัดดีมากบทคถาที่9ของฉบับไทยบรรทัดที่สองน่าจะเกินไปแต่จะคงไว้ก็ได้ ส่วนคาถาบทที่12และ13สลับบรรทัดกันเมื่อแก้ใหม่ตามฉบับที่ปรับปรุงแล้วนี้จะถูกลำดับดีหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการประชุมและชำระพระคาถาชินบัญชรสำนวนต่างๆและให้ความรู้สมบูรณ์แปลกใหม่กว่าที่เคยทราบกันมาภายหลังจากการตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2518ยยังโปรโดให้จัดสัมมนา ณโรงเรียนยุพ ร, ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่23มกราคม2530ก่อนจะเตีพิมพ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สองเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเมื่อพิมพ์ครั้งแรกอีกด้วยและต่อมาทรงได้รับข้อมูลจากพระเทระชาวพมา่าคือท่านธรรมานันทะถึงได้ทราบจากหลักฐานของฝ่ายพมา่าระบุว่าคถาชินบัญชร แต่งในเมืองไทยในสมัยอาณาจักรล้านนาอยู่ใต้าการปกครองของราชวงศ์พม่าและชาวพม่าเชื่อว่าพระเทระล้านนาแต่งขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริย์พม่าที่ปกครองล้านนาในสมัยนั้นจึงทรงสันนิฐานว่าสมเด็จพระพุทธาจ้าโตน่าจะได้ฉบับเดิมมาตัดทอนให้พอเหมาะพอดีตามที่ท่านต้องการ ส่วนเมื่อถามว่าสมเด็จพระสังฆราชสวดมนต์บทใดเป็นประจำจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าส่งสวดหลายบทไปเรื่อยไม่ซ้ำและส่งทบทวนปาติโมกอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ลืมเนื่องจากทรงทบทวนปาติโมกเป็นประจำจึงจำปาติโมกได้คล่องบางครั้งเมื่อเสด็จไปพักแรมยังวัดต่างจังหวัดและตรงกับวันพระกลางเดือนหรือสิ้นเดือน ก็จะส่งขออนุญาตเจ้าอาวาสของวัดนั้นสวดปาติโมกให้พระสงฆ์ในวัดนั้นฟังโดยทรงกล่าบกับเจ้าอาวาสว่าขออนุญาตสวดปาติโมกถวายซึ่งเป็นเรื่องที่หายากมากที่พระผู้ใหญ่ระดับนี้จะสวดปาติโมกเองอย่างไรก็ตามหลังจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมามากมายกระทั่งได้รับการยอมรับว่า เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงคุณอันประเสริฐรูปหนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เวลาที่ล่วงเลยไปและพระชนมายุที่เพิ่มขึ้นทำให้ประชวนต้องเสด็จเข้ารับการรักษาพระวรกายและประทรับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมา